ที่พระสารีบุตรพักอาศัยอยู่ณเวรุวันเมืองราชครึ่นั้นวันหนึ่งท่านออกบินธบาตในเมืองราชคฤึ่เมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วจึงแวะฉันใกล้ฝาเรือนแห่งหนึ่งพอดีปริพาชิกานางหนึ่งชื่อสุจิมุขีแปลว่ามีหน้าแหลมหรือมีปากแหลมเหมือนเข็มผ่านมาเห็นเข้าที่ว่ามีปากแหลมเหมือนเข็มนั้น อาจเป็นนามที่ได้โดยคุณลักษณะของนางคือมีปกติชอบพูดจาทิมแทงคนอื่นให้เจ็บแสบแม้เรื่องที่มาพบพระสารีบุตรนั่งชั้นอยู่ใกล้ฝาเรือ น, นี้ก็เหมือนกันนางอดไม่ได้ที่จะพูดทิมแทงบังเอิญไปแทงโอหินเข้าเข็มคือปากของนางจึงหักไปเองนางเห็นพระสารีบุตรนั่งชั้นอยู่อย่างนั้นจึงว่าสมณะผู้นี้ก้มหน้าฉันพระสารีบุตรตอบว่า เรามีได้ก้มหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านแงนหน้าฉันนางพูดต่อเราไม่ได้แงนหน้าฉันพระสารีบุตรตอบถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางหาเรื่องต่อไปเราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันเราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศน้อยฉัน นางสุจิมุขีจึงว่าข้าพเจ้าพูดอย่างใดอย่างใดท่านก็ไม่เสีเสียสิ้นถ้าอย่างนั้นท่านฉันอย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าน้องหญิงสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยดิรัชานวิชาคือวิชาดูที่ต่างๆว่าที่ตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีเป็นต้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใด เลียงชีพด้วยเดรัชชานวิชาคือวิชาดูดาวนกษัตริย์ทํานายทายทักโดยอาศัยดวงดาวสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าแงหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรรัชชานวิชาคือรับใช้เป็นทูตเขารับใช้ไปโน่นมานี่ให้เขาเพื่อได้ค่าจ้างหรือลาบสการะเป็นเครื่องตอบแทนสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉัน สมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูลักษณะอวัยวะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันน้องหญิงเรามิได้อาศัยเดรัจฉานวิชาเหล่านั้นเลี้ยงชีพจึงชื่อว่ามิได้ก้มหน้าฉันเงยหน้าฉันหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันหรือหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันเราเลี้ยงชีพโดยสุจริต ตามอริยะประเพณีอาชีวะของเราบริสุทธิ์เต็มที่เราสแสวงหาอาหารโดยธรรมมิได้เบียดเบียนหลอกลวงผู้ใดได้มาโดยธรรมและฉันโดยธรรมดูก่อนท่านผู้สแสวงหาธรรมถ้อยคําของพระสารีบุตรที่ตอบโต้นางสุจิมุขีนั้นน่าคิดน่าตรึกตรองสําหรับสมณพราหมณ์หรือนักบวชผู้มุ่งการเป็นอยู่โดยธรรมเป็นอย่างยิ่ง กล่าวโดยเฉพาะนักบวชในพระพุทธศาสนานั้นถ้ามุ่งลาบสการะและชื่อเสียงหรือยศศักดิ์เป ja ็นจ <us> ุดม <oires> <tem> ุ่งหมายแล้วก็เรียกว่าพลาดเป้าหมายอย่างมากขอยกเอาข้อความในจุระสาโรปมสสูตรมาเทียบดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีนั้นพรามผู้หนึ่งชื่อปิงคละโกดชะเข้าไปเฝ้าเมื่อได้ทักทายปราศัยกันพอสมควรแล้วพรามได้ทูลถามขึ้นว่าพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีชื่อเสียงปรากฏมีคนรู้จักเคารพนักถือมากเช่นปุรณะกสปะเป็นต้น ท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้อย่าเลยพราหม์พระาศาสดาตรัสอย่าพูดถึงท่านเหล่านั้นเลยเขาจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงก็ช่างเถิดอย่าไปมัวสนใจเขาเลยถ้าท่านต้องการฟังธรรมเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อพราหมปิงคะโกดฉะทูลรับว่า ต้องการฟังแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสาอหาแก่นไม้อยู่เมื่อพบต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่เขาตัดโอ่กิ่งและใบไปด้วยสําคัญผิดว่าเป็นแก่นคนที่รู้เรื่องดีย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าบุรุษผู้นั้นไม่อาจยังประโยชน์ของตนให้สําเร็จเป็นแน่แท้อีกคนหนึ่งต้องการแก่นไม้แต่ได้ถากเอาสะเก็ดไปอีกคนหนึ่ง ถากเอาเปลือบไปอีกคนหนึ่งถากเอากะพีไปบุรุษเหล่านั้นสําคัญผิดว่าสเก็ดเปลือบ ก, กะพีเป็นแก่นเพราะความเขาไม่รู้จักแก่นไม้พวกเขาย่อมไม่อาจจะยังประโยชน์ที่จะพึงทําด้วยแก่นไม้ให้สําเร็จได้ส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งต้องการแก่นไม้ฉลาดรู้จักแก่นไม้จึงตัดเอาแก่นไปคนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็รู้ได้ทันทีว่า บุรุษนั้นยอมได้รับประโยชน์จากแก่นไม้ดูกรพรามเรื่องที่กล่าวเป็นอุปมานี้ฉันใดข้ออุปมาอต่อไปนี้ก็ฉันนั้นคือกุลบุตรบางคนในาศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชพระพฤติตนเป็นอนาคาริกรมุนีไม่คลองเรือนด้วยเห็นทุกข์ต่างๆเบียดเบียนตนอยู่และทั้งดักอยู่ข้างหน้าต้องการให้พ้นทุกข์จึงออกบวชครั้นบวชแล้ว ลาบสการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นมากก็อิ่มใจเต็มความปรารถนาด้วยลาบสการะและชื่อเสียงนั้นยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาบสการะและชื่อเสียงส่วนภิกษุอื่นๆไม่มีใครรู้จักเป็นผู้มีศักดิ์น้อยเมื่อเป็นดังนี้ภิกษุนั้นไม่ได้ปลูกความพอใจในคุณธรรมอื่นๆ อ, อันประนีตกว่าดีกว่าลาบสการะและชื่อเสียง เป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมเธอย่อมเปรียบกันได้กับบรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับตัดเอากิ่งและใบไปบางคนไม่ติดในลาบสการะไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งลาบสการะนั้นแต่ไปติดอยู่เพียงแค่ศีลพอใจเต็มปรารถนาในศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลแล้วยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งศีลสัมปทานั้น ไม่ผนขวายเพื่อคุณธรรมอันสูงขึ้นไปเธอเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอาสเก็ดไปบางคนไม่ติดในลาบสการะและในศีลแต่ไปติดในสมาธิพอใจเต็มปราถนาในคุณธรรมคือสมาธินั้นไม่ผลขวายเพื่อคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอาเปลือกไปบางคนไม่ติดแม้ในสมาธินั้น แต่ไปติดอยู่แค่ปัญญาหรือยานทัศนะพอใจเต็มปราถนาในยานทัศนะนั้นไม่พยายามเพื่อคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเปรียบได้กับบรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอากะพีไปบางคนไม่ติดในลาบสการะชื่อเสียงไม่ติดอยู่เพียงแค่ศีลสมาธิปัญญาพยายามขนขวายโดยลําดับเพื่อความสิ้นอาสวะ และได้สิ้นอาสะวะโดยปัญญาอันชอบได้สวยรถแห่งวิมุตคือความหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งปวงบุคคลเช่นนี้แหละเปรียบได้กับบุรุษต้องการแก่นไม้และได้ตัดเอาแก่นไปสมประสงค์พระตถาคตเจ้าตรัสย้ำตอนท้ายว่าดูก่อนพรามด้วยประการชนี้แหละพรหมจันท ร, ร์คือการประพฤติความดีในศาสนานี้ ไม่ใช่ลาบสการะหรือชื่อเสียงเป็นจุดมุ่งหมายไม่ใช่มีศีลสมาธิและปัญญาหรือยานทัศนะเป็นจุดมุ่งหมายแต่การประพฤติความดีในศาสนานี้มุ่งเอาความหลุดพ้นแห่งใจจากอสวะทั้งปวงเป็นจุดมุ่งหมายและความหลุดพ้นนั้นไม่กลับกําเริบอีกคือไม่กลับมาติดพันตกต่ําลงอีกความหลุดพ้นอย่างนี้แหละเป็นที่ต้องการเป็นแก่นสาร เป็นที่สุดโดยรอบแห่งการประพฤติความดีในศาสนานี้ดูก่อนผู้สแสวงหาสาระเราโดยสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อจําง่ายก็คือลาบสาการะชื่อเสียงเปรียบเสมือนกิ่งใบของไม้ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเสมือนสะเก็ดไม้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้ ความสมบูรณ์ด้วยยานทศนะหรือปัญญาเปรียบเสมือนกระพีไม้ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กำเริบเปรียบเสมือนแก่นไม้ด้วยประการฉนี้ผู้บวชในศาสนาของพระศาสดาถ้าอิ่มใจพอใจติดอยู่ในลาบสาการะชื่อเสียงหรือยศศักดิ์บรรพชานั้นก็ชื่อว่าไม่ได้รับอนิสงส์ตามความมุ่งหมายเพียงแต่ได้กิ่งไม้ใบไม้ไปเล็กๆน้อยๆ ไม่สำเร็จประโยชน์ที่ต้องการกลับจะเป็นโทษที่หลงยึดเอาสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วยกตนคมผู้อื่นว่าไม่มีลาบสักการะชื่อเสียงหรือยศศักดิ์เหมือนตนทำจิตให้เหลิงและมัวเมาอยู่ในลาบยศนั้นเพราะถือเอาลาบยศเป็นจุดมุ่งหมายหรือผลอันพึงได้จากบรรพชาเสียแล้วไม่ต้องการคุณธรรมอันประณีตกว่าดีกว่านาความสงบเย็นมาให้มากกว่า และเป็นทางสิ้นสุดทุกขโดยชอบจึงจมอยู่ในลาบสการะชื่อเสียงและยศศักนั้นเกี่ยวกับลาบสการะและชื่อเสียงที่มีอำนาจครอบงาจิตของบุคคลแล้วทาอันตรายนั้นพระธรรคตเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์ตรัสไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงเป็นของทารุณเผ็ดร้อนยาบคาย เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากความยึดอยากเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงตั้งใจไว้ว่าเราจากละลาบสการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสียและจักทำโดยวิธีที่มันจะครอบงำจิตไม่ได้ภิ่สุทั้งหลายเปรียบเหมือนปลาที่เห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดที่พรานเกี่ยวเหยื่อแล้วย่อนลงไปในห่วงน้าลึก มันได้รับทุกถึงความพินาศพรานเบ็ดย่อมทาปลานั้นได้ตามความพอใจพิสุทั้งหลายคาว่าพรานเบ็ดเราหมายเอามารผู้ใจบาปคาว่าเบ็ดเราหมายเอาลาบสการะเลยชื่อเสียงพิสุใด ย, ยินดีพอใจในลาบสการะเลยชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเรากล่าวว่าพิสุนั้นกลืนเบ็ดของมารเข้าไปแล้วย่อมได้รับความทุกทรมานถึงความพินาศอันมารผู้ใจบาป เพิ่งทําเอาได้ตามความพอใจของตนพิสูจ์ทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนยาบคายอย่างนี้พิสูจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในห่วงน้ําแห่งหนึ่งมีตระกูลเต่าใหญ่อยู่อาศัยมานานเต่าตัวหนึ่งกล่าวกับเต่า อ, อีกตัวหนึ่งว่าอย่าได้ไปณที่นั้นนะแต่เต่าตัวนั้นหาเชื่อฟังไม่ไปณที่นั้นทุกในพรานยิงด้วยลูกดอก แล้วกลับไปยังที่อาศัยเมื่อเต่าผู้หวังดีถามว่าท่านไปอย่างที่นั้นไม่ถูกทุบตีดอกหรือเต่าดื้อบอกว่าไม่ถูกทุบตีแต่มีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมาเต่าผู้หวังดีจึงกล่าวว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุก์ถึงความพินาศมานักต่อ น, นักแล้วเพราะเชือกเส้นนี้แหละออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วพิสูจทั้งหลายคําว่าลูกดอก เราหมายเอาลาบสการะชื่อเสียงคำว่า เ, เชื่อเราหมายถึงนันทิราคะคือความกำหนัดเพราะความเพลิดเพลินลาบสการะชื่อเสียงทารุณอย่างนี้ที่สุดทั้งหลายแกะขนยาวเข้าไปสู่ป่าชัดมีหนามมากมันพึ่งติดหนามอันหนามเกี่ยวไว้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศในที่นั้นๆฉันใดพิสูจน์บางรูปในธรรมวินน์นี้ก็ฉันนั้นอันลาบสการะและชื่อเสียงครอบงำแล้วย่ํายีจิตแล้ว เวลาเช้าเขาไปบินทบาตในบ้านหรือนิคมเธอคล้องอยู่ในปัจจัยอันปัจจัยเกี่ยวพันผูกมัดไว้ในที่นั้นๆย่อมได้รับความทุกข์ถึงความพินาศภิกษุทั้งหลายหนอนกินอุจจาระเต็มท้องแล้วยังมีอุจจาระกองโตวางอยู่ข้างหน้าอีกมันนึกดูหมิ่นนอนตัวอื่นว่าเรากินอุจจาระเต็มท้องแล้ว ยังมีอุจจาระกองโตวางอยู่ข้างหน้าอีกชั้นใดที่สุบังรูปก็ฉันนั้นถูกลาบสการะรอบงาย่ำยีแล้วเวลาเช้าเข้าไปบินทบาทในบ้านหรือนิคมฉันตามความต้องการเต็มที่แล้วทายกยังนิมนเพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกเธอกลับไปยังอารามปวดอ้างท่ามกลางหมู่ภิกษุถึงลาบสการะนั้นว่านอกจากจะบริบูรณ์ด้วยบิทบาทแล้วยังจะได้จีวรเสนาสนะ และกีฬานภเพศอีกมากส่วนภิกษุล่าอื่นมีบุญ น, น้อยมีศักดิน้อยจึงไม่ได้จีวรบินทบาตและเสนาสนะกีฬานภเพศเธออันลาบสการะและชื่อเสียงย่ำหยีแล้วย่อมดูมินภิกษุอื่นผู้มีศีลมีธรรมข้อ น, นั้นย่อมเป็นไปเพื่อโทษทุกข์แก่ภิกษุนั้นตลอดกาลนานดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงทารุณอย่างนี้เผ็ดร้อนร้ายกาจอย่างนี้ พิสุทั้งหลายเธอเห็นสุนักจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นโรคเรื้อนหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายทูอรับพิกษุทั้งหลายสุนักจิ้งจอกตัวนั้นอยู่บนบกก็ไม่สบายอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายอยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบายเดินยืนนั่งนอนตรงไหนก็ไม่สบายไปเสียทั้งนั้นฉันใดพิสุบางรูปก็ฉันนั้นอันลาบสการะและชื่อเสียงครอบงำย่ำยํายีแล้ว จะอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่สบายภิกษุทั้งหลายเรากําหนดรู้ด้วยใจของเราว่าคนบางคนไม่ยอมพูดเท็จแม้เพราะถาดทองคําอันเต็มด้วยผงแร่ยั่วยวนแม้เพราะถาดเงินอันเต็มด้วยแร่ทองคําแม้เพราะแท่งทองคําแท่งทองสิงคีแม้เพราะแผ่นดินอันเต็มด้วยทองคําหรือแม้เพราะการสูญเสียชีวิต แต่พอเขาถูกลาบสการะและชื่อเสียงครอบงาแล้วเขาก็พูดเท็จได้ทั้งทั้งที่รู้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปมาตุคามหรือหญิงสวยก็ไม่อาจย่ํายีจิตของเธอได้แต่ลาบสการะและชื่อเสียงสามารถย่ำยีจิตของเธอได้ดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนร้ายกาดเพียงไหนภิกษุทั้งหลาย ลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ตัีณาศพเมื่อพระาศาสดาตรัสดังนี้พระอ น, น, นุลได้ทูลถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดเล่าพระเจ้าข้าลาบสการะและชื่อเสียงจึงเป็นอันตรายแม้แก่พระขีณาศพดูกอ่อนนลลาบสการะและชื่อเสียงจะเป็นอันตรายแก่เจโตวิมุตของพระขีณาศพก็หาไม่แต่เป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ของพระขีณาสพนั้นดูก่อนอานน์ลาบสการะและชื่อเสียงเป็นของทารุณเผ็ดร้อนร้ายกาจอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงตั้งใจว่าจักละลาบสการะที่เกิดขึ้นแล้วเสียและไม่ให้มันครอบนาจิตได้ดูก่อนผู้สแสวงหาสาระพระาศาสดาได้ตรัสตําหนิโทษของลาบสการะและชื่อเสียงไว้เป็นอันมากอย่างนี้ควรที่เราทั้งหลายจะใส่ใจ และปฏิบัติตามเพื่อมีให้ลาบสการะและชื่อเสียงรอบนำได้